โดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันยากนะอืมมันอยากยากนะี่มันก็ผนก็ความหลงอั่นอืลอยากนี่มั น, อ, นม อ, ะนะอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญายัางัไนความอยากนี่ทัจนจริงเลยว่ามันเป็นวารามีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ่ะ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 เจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแแหมันไปใช่ไมไม่เป็นเช่นนั้นใจมันก็รื่นโหนขึ้นเร็วระวังมาก บ, าบังคับแต่คบไปแต่คบมาอย่างนั้นแหละประเดี๋ยวปลาน่นก็ออกไปจากแแห่มัพอไปแต่คบมันแรงเท่าเกินไป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 โดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนันการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราเพิจารณาตามพื้นเพนของเราอะ่ะเนว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัตไม่มีความรู้ในอะไรเที่ยมันเกิดขึ้ น, นก็ความรู้อันเก่าแล้วนะั่นแหละพื้นเพอันเก่าแล้วนะั่นแหละของเก่านะคือธรรมชาติของจิตมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มันมันก็มีอยู่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 ท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็ามาทํำนะจับไม้ไผ่สองที่หรือลาปอสองที่มาสีเข้าไปอืมใจเรามันร้อนเราทํางานนั้นนั่นสีไปเรื่อยไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดอ ย, อยากจะให้มันเป็นไฟอยาดใจมันเป็นไฟอยู่เรื่อยเื่อย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 ถ้าเราจะไปคิดดูอืมแล้วตามใจเขางเราจะนึกนว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกข์ที่ขาบทถมันมากเหลือเกินอย่างนี้เฉพาะอาจารย์จาราต่างให้ตรวจ ด, ดูสินให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้หายโกรธที่ขาโบสถให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ใ้ความเข้าใจเราเป็นๆอย่างนั้น ยัางขั้นในรู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากแา่นั้นแหละอนะอมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปน่ตามตำราเข้าตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นเนอือ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 อันนี้ไอ้ความเห็นแค่นี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้นเรารวมรวมกันมานี่เรียกว่าเราคลำมันไปนะครั้งแรกก็คํามันไปอย่างนั้นน่ะคลำมันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นน่ะมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทํากระทาไปเรื่อยๆทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่กระทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆ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 อันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นเนี่ยมันถูกเรียกเพราะเราชอบนี่อันนี้ให้คำนึงถึงอ่ะทีข้นักาพรามดูสิทีขนักขาพร า, า, า, ามเนี่ยพรามเล็บยาวๆอ่ะทีพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิสโกหรืออะไรเนี่ยแต่พระสรีบุตรอ่ะพารามแกมีความเห็นว่า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 มาช่วยที่ว่าสติะระลึกได้สัมปัญญาความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะนอบรมปัญญาเรื่อยอารมณ์ของมิปัจฉนาธรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ระลึกได้อ่ะระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราให้เห็นว่าอานิจจังเป็นพื้นเป็นหลักฐานนี่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 ไอความรู้สึกหรือความะระลึกนี้มันจะติดติดกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องสายเมื่อกขรมมาถึงแล้วมันก็สติเนี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความะระลึกได้สัปัญญาหนีความรู้ตักวก็เห็นว่าไม่ไม่ถูกทุกอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างได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 สกปรกด้วยความไม่รู้จักนันน้อืมันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้ืตถ้าว่าปัญญาตัวปัญญาก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาปอย่างนี้ว่าเราได้ยินที่อะไรก็แชอบใจบ่างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้น คือไอ้ความยึดมั่นถือมันมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่ครดังนั้นพระพุทธเจ้าจะใจที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของเมี่ยงเป็นดับวินิิฉัยคนนั้นของเมี่ยังนี่ทาราเยึดมันเมื่อพาเราทุกข์ทำไมมันจึงทุกขพาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมัน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 ถ้าในาพิจารณากลับไปกลับมาบางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเจสาอย่างนี้โลมาหนะะ้ขาทันตาตะโจ้หนังถ้าเราพูดพิจารณาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจดิตของเราถ้าอะไรไม่ถูกจดิตของเราแลนะ้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราําหรับปราบกจดิตทั้งหลายมันให้มันเบาบางลงเช่นว่า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 จะไปทําอย่างอืงอ่นไม่สบายเนี่ยพอนั่งพุบลงกำนดลมหายใจเข้าออกออืเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่ากํนำนดลมหายใจเข้าออกมันออกมันข้าวดอกมันเขาดูมันจะตรงนั้นเองคะ่ะดูนา น, านๆทําไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางกัญยาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆ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 แล้วยิ่งเพียนาไปมากทลายเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอีย е ดถึงแม้ว่ามันขาดจากจะกรบุเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่จะอยู่เฉยๆหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพังร่างกายเราก็ได้นะเราจะงบนั่งอยู่เฉยๆตากระบร่มมันไม่ออกลมมันไม่เข้าแต่ว่าลมละเอีย е ดมันเกิดเกินมาแล้วนะ มันจะไปหล่อเรียงอะไรทางล่างกายทัางไยนนี่ยอืนเนี่ยทุกขุ้มขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดอืนี่มันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั่นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อกิจของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันเลยค่ะลมหายใจก่อจะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ธนู่อย่าพึ่งตกใจมันเนื้อ อารมณ์ไม่มีจะทําไงจะกำหนดไหมกำหนวดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นอะไรู้ที่ว่ารมณ์ไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมถานนี่มันคือความสงบอย่างนี้อนนกรรมฐานมาถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อทีนน่ิมายเรื่องรมณ์มันดีใจมีภาคดีจารเพราะมันไปจนกว่าเรามีสัทธาเห็นชัดจริงๆอืมอันนี้คือต้นต่อมัน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 เมื่อไปเห็นเทนนี่มันก็คลายออกมาเบี้ยวของน็อตเนี่ยแค่ไยมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นต่อมาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นนี่ยมันตกใจเออตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนทั้งนั้นนอมันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์มันตึงมากเป็นทางตึงมากอย่างงั้นเราก็ตจานความเห็นออกมาหย่อนลงมากะคลายออกมา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 ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันหนี่เบือ่อเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเบือ่อนะนี่อุปาทานรู้ไม่ทัวถึงมันยิ่งเกิดความจีดฉาหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนันเองเบื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมา เ, นเห็มา่ั น, นี้มันไม่เที่ยงเนี่ย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 ถ้ารู้จากความดับทุกชนนี้แล้วก็คลายเกลียวมันลงมาจะดีมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวาต่อไปดีนี่คือมันขับไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะี่ยอุปาทานความยึดมั่นถือมันมันก็ถอนตัวมาออนี่คือข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกรู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความหลับทุกรู้จากข้อปฏิบัติถึงความดับทุกก็คือมัอม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 แต่นั่งที่ไหนก็มีธรรมทั้งนั้นแหละรู้จักธรรมมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่มันไม่มีราคาทั้งนั้นแหละราคาสิ่งทางใดเรื่อวนี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอเรารู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความหลับทุกข์มันเป็นอย่างนี้